อัลลอฮ์อัล ا س ع ا ص ا ف ر ن ا ل ل ه و م ن ن ا ي ا <ق> ل ف و ي ض ف إ ا ل ل ه ش ر م ح د ر س و ل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 و จินะตาอา ه ์ซิฮิ ك มิดาดะกาลิมัติฮิ s u b h عددخلقه ورضا نفسه و ز, و د د و ن و ز و و ي ن تعرشه ومداد ك ل م ا ت ه الله مفاتر السموات والأرض عالم الغيب والشاهد ربي كل شيء و ملك أشهد أن لا إله إلا أنت ع ب ك من شر نفسي و, و, ش و ا, على و ا, أ, إلى إ, إ الله و ش ชั่วร้ายซาตานว่าชั่วร้ายกว่าอ س นอัครตัรีฟะอัลล ل م ฺนับซีซูอั و อูอัจุรรห ي อิ ه ลาม ل สลิมลา ل ิล م าอัลลอฮฺอูหะ و ดห์ลาะชาล ل ฟละละห์ลุลก ا ل ะละ و ์ลหามด์วะฮฺอัลล ب ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر حامم تنزيل الكتاب من الله العزيز ا ل عليم غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب في الطول لا إله إلا الله إليه المصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله في نعمته رؤم นามาสุบอตีมัส jid อันวาลิซุนนะที่รักทั้งหลายครับเราต้องขอบคุณอัลลอ์นะ <c oughs> ที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่วันนี้ไม่ใช่ความสามารถของเราเลยแต่นี่เป็นความเมตตาของอัลลอ์สุฮาห์นาวัาลาโรคโควิดเนี่ยระบาดหนักกว่าเกา่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นโรคโควิดแต่ต้องกลักตัวเพราะว่ามีหลานคนนึง อยู่ขอพักแล้วก็มากลับมาบ้านมานอนที่บ้านผมพเพราะเป็นไข้พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เช็คก็มีสองขีดนะั้นก็ส่งไปโรงพยะบาบาลหลานเข้ามามันมาสลามมากอดเลแเราต้องกักตัวไงพอกักเสร็จแล้วก็ห้าวันนะนนะ เรามาเช็คดูก็ไม่มีอะไรปลอดภัยก็เลยมาสอนมัสริดได้ต้องระวังตัวตลอดนี่เป็นการทดสอบจากอัลลอ์นะครับขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เรามีโอกาสนะนี่อัลลอ์ให้เรานะมาหนุม า, มาที่มัสยิดได้แล้วก็อ่านดอาได้ริกรุ่ลอได้อ่านกุรานได้แล้วก็ ห, กหกนุมานไม่ขาดแล้วก็ขอดอา แล้วก็ติดต่อกับเครือญาติของเราเองแล้วก็ให้อภัยกับคนที่ด่าดเราบ้างตำหนิเราใส่ร้ายเรานี่เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเรามองไม่เห็นบนโลกดุจยาไปนี้แต่เราเชื่อแน่นอนว่าอัลลอจะต้องตอบแทนเราอย่างแน่นอนหลังจากตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในทุกมัชัดนะครับขอบคุณอัลลอฮนะครับที่เราอ่านคุรานและคุรานนี่สอนเราทุกเรื่อง สอนทุกเรื่องนะนะครับเช่นวันนี้อย่างนี้อย่างโซราฟุศสิลาดเนี่ยสอนเรื่องความดีกับความชั่วต้องแยกแยะ ก, กันให้ต้องแยกแยกให้ชัดเจนเราต้องใช้สมองของเราเนี่ยนะในการแยกแยะความผิดเนี่ยซึ่องอยู่ในสังคมนี่แหละต้องแยกให้ชัดเจนกุณาาณเนี่ยสอนเรานะครับอายาที่ยี่สิบวันนี้ก็คือ حتى إذا ما ج ا ؤ و ه ا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما ج ا ؤ و ه ا شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الحمد لله ข a h นี uh um ้เป็นความรู้จะเล่าให้ฟังว่าเหตุจะต้องเกิดแบบนี้จริงมาดูศัพท์ก่อนนะครับจะว่า พวกเขามาถึงเดินมาถึงามาถึงอะไรอ่ะอธิบายคือมาถึงมาถึงนรกเดินมาเนี่ยคือทุ่งหยีทุ่งม้าชัดเนี่ยเมื่อเวลาพวกเขามาถึงทุ่งม้าชัดอาสับระก่อนะซาฮิดา่าแปลว่าเป็นพยานทาศายอะไรหิม เป็นพยานค้านาไม่จะเป็นพยานสนับสนุนนะเป็นพยานค้านอะไรเป็นพยานซ้ำเหมาหุ้มซ้ำอุ่แปลว่าหูแสดงว่าหูนี่พูดได้นาหูนี่พูดได้แล้วอะไรอีกอบซอเป็นพระกุพศนะตาของพวกเขา พูดได้เป็นพยานค้านวายุรูดูหุมมาจากยิ่ดุนแต่ว่าสกินแต่ว่าผิวหนังตกลงว่าอาญานี้มีอยู่สามรายการที่พูดได้เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของเองหนึ่งหูของพวกเขาเหล่านั้นของใคระของคนมุชริกในนครมักกะทิดานาบีทาหนินาบีใส่ร้ายนาบี อีกควางความสอนของน บ, บีทั้งหมดนี่แหละวันนั้นนี่นะครับปากก็ร้องไม่ให้พูดร้องจะให้อะไรพูดนะหูของเขาซัำหูหุม้มหูของเขาว่าอปสรูหุมตาของพวกเขาว่ายูลูดูหุมผิวหนังของพวกเขาบิมากานูยะมารูนยะมันที่พวกเขาปฏิบัติ มาดูดูคําแีร์ัตติรามาจะอูฮะจนกระทั่งขัตตาประบัจนกระทั่ ง, งพวกเขามาถึงมันมาถึงนรกมาใจเดินมานะครับต้อนมาตอนม า, นมาแล้วคนนึกถึงตอนเนี่ยเราเคยต้อนใช่ไหมตอนเป็ดตอนไก่ไม่ใช่ต้อนในความเมตตาเรก ในภาพไปแล้วกันคัจตายามาจาอูหฮาจอมกระั่างพวกเขามาถึงมาถึงมันหามาถึงมันเนี่ยมาถึงมาถึงนรกใช้าดาไลหิมหูของพวกเขาซ้ำเอาหุ้มหูของพวกเขาใช้าดาไลหิมเป็นพยานค้านพวกเขารอว่าหัจะพูด วันนี้เนะี่ยหูยังไงยังไงมันก็พูดไม่ได้ <c oughs> นี่มันของที่เป็นไปไม่ได้หมดเลยนี่หูพูดเนี่ยท่านคนที่ไม่เชื่อกูนอ่านไม่เชื่ออลัลลอฮ์ก็ไม่ต้องเชื่ออลัลลอฮ์ไม่ได้มาข้าไปใครเชื่อว่าหูพูดได้แต่คนมุมินอลัลลอฮ์บอกกับนบีให้ยิบรีนเอากระยานี่มาให้กันบนบีให้นบีมาสอนว่าวันนี้ของที่มันพูดไม่ได้เนี่ยอลัลลอฮ์จะให้พูดนะอะไรบ้าง หูของพวกเขาจะพูดพูดค้านเะนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยหูเนี่ยอลัลลอฮ์ให้มาทําอะไรทํามาฟังกุรอานใช่ไหมฟังอิหมามอ่านอ่านดูอาอ่านนู่นอ่านนี่อ่านกลมกลืนเนี่ยอย่างเงี้ยหูมีประากาัดไหมมีบระกาศแล้วตรงกันข้ามเสหูเนี่ยไปฟังสิ่งที่อลัลลอฮ์ห้ามเช่นเขานินทากันเฮ้ดังดังเหมือนซิอ่า เสียงเขาด่ากันอยากฟังเหลือเกินเนี่ยแล้วก็ไปฟังเพลงดนตรีดนตรีในอิสลามเนี่ยไม่ส่งเสริมนะนะเพลงก็ไม่ส่งเสริมถ้าเป็นถ้าเป็นเพลงปลุกให้เรามีอีมานต่อร้อยอย่างเงี้ยส่งเสริมแต่เพลงปัจจุบันนี้ใช่ไมก็มันคลาบไปไหนกันเราก็รู้ใช่ไหมล่ะอ่นี่ไง นี่ไงฉะนั้นหูเนี่ยจะฟัง Allah, อัลลอฮฺเหูเนี่ยครับอาหูเนี่ยไปฟังอะไรอถ้าฟังกุรานเนี่ยมันก็ยิ้มออกใช่ไหมฉันนี่ฟังกุรานตลอดเลยนี่หูนี่อัลลอฮฺเนี่ยเป็นเอเจนต์ของอัลลอฮฺน่ะเป็นตัวแทนอัลลอฮฺน่ะเราให้อัลลอฮฺฟังทั้งหมดในวันเกี่ยมานี่น่ากลัวขนาดไหนอ่ะแล้วจะพูดยังไงวันละวันละไม่รู้แต่พออ่านคุรานนึกหล่อหูพูดได้อ่ะยังไม่พออีก อาบอสรลูหุนบสราวาตาของพวกเขาพูดได้ว่ายูลูดูหุมหนังของพวกเขาพูดได้อีบิมาการูยามาลุนตามที่พวกเขาได้กระทำเอาไวอัลลอฮอินนาลิลลาอินนาอิลัยอ่กลัวมากครับในสุรายาซินที่ผ่านมาแล้วนะสุรที่สามสิบหอายะที่หกส้าเนี่ยอธิบายอย่างนี้ อัลยามะนอัคริมุ่งมาอฟวาฮิฮมว่าตุกัลลิมุ่งนาอิดิมว่าตัสะฮัดูอัลลุฮุลูห์บิมากานูยักษิบุญอัลยามวันนี้มันวันวันกียรติ์หลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วนะไปรวมตัวกับทุนมาชัดวันนี้อัลลอฮ์จะประทับตาที่ปากของเขานี่ปากคนมุชริกนะ ปาคุมุชลิกน่ะเวลามันมนกพูดโกหกตอลอดพออยู่บนดุลยามันก็โกหกต่อร้อยอยู่แล้วพอไปวันนู้นมันก็พูดว่าฉันนี่ไม่ได้เชื่อต่อรลอยหรอกฉันนี่ไม่ได้กราบเป็นอะไรเลยมันเลิกกราบตอนไหนรู้ไหมตอนวิญญาณมาถึงก็หอยแบบฟาโรห์พอวิญญาณมาถึงก็หอยเอ้ยรู้เอ า, อาอล้อจ้าฉันอิมานต่ออร้อยแล้วเหมือนกับที่นบีมูซามาสอน เหมือนกับพวกบรรดายิสราเอลพูดทำไมล่ะเอ็งเด้งเอ็งแน่จองต้องอย่าพูดนี่ทำไมต้องพูดล่ะเพราะมันอัลลอ์ให้เห็นหมดเลย่โอ้วันนี้ he he อัลลอ์ปิดไม่ให้เห็นนะดันั้นคนที่ไม่เอาอัลลอ์วันนี้อัลลอ์ให้เพลินอ่ะอยู่กับเสียงเพลงดนตรีกินเหล้าทำดีนาอร่อยใช่ไหมเพลินมีรถ ง, งามๆขับมีผู้หญิงสวยๆนั่งอัลลออลอ์เอาไปเลย ถ้าใครจะเอาดุญญาาลยาอัลลอฮ์ให้ดุลยาถ้าใครที่จะเอาโลกอาคิระอนวันนี้เลือกได้ไหมเลือกได้ที่มานั่งฟังท็อปนีนนี่เลือกอะคิระนะ้อน่ะถ้าไม่เลือกอคิร้อนจะมาไหมอ่ะอั่างี้เป็นต้นนะครับอัลยาุมานักดีมุฮัลอาอัฟุอานี่มีคำอธิบายในกะุณอ่านอาธิบายกุรานวันนี้เราประทับตาที่ปากของเขาแล้วก็ให้มือของพวกเขาพูด แต่อายะนี้มือไม่มีนะมีหูกับไรนะหูกับตากับหนังแต่อายะอื่นให้มือพูดแล้วก็ให้เท้าเป็นพยานในสิ่งที่บวกเขาได้ก็ทำเอาไว้ดูแล้วว่าถ้าเอาสองอายะนี้มาบวกกันเองกลายเป็นห้ารายการใช่มะหูพูดได้ตาพูดได้มือพูดได้แล้วก็เท้าพูดได้ถ้าเอาสองอายะมารวมกัน นี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดในวันกิยามาต้องเกิดขึ้นแบบนี้อย่างแน่นอนครับไม่เชื่อไม่มีปัญหาอาลัลลอฮไม่ได้บังคับใครให้เชื่อแต่เล่าให้นบีมุฮัมมัดมาสอนนะครับต่อมาอายาที่ยี่สิบเอ็ดว่ากอลูลิจูลูดีฮิมลิมาชสฮิตตุมอะลเยนาะ “قالوا أمطقنا الله الذي ِ أمطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله ربنا الله ينجا” وقالوا لجلودهم لما شهدت علينا ََ "قالوا أ ن َ ق ن ا الله الذي أ ن َ ق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله أكبر" วกเขากล่าวว่าใครกล่าวหู าตาหนังผิวหนังนี่แหละจะพูดว่างไง ร, รู้ไหมว่ากอรูลียูลูดีหิมพวกเขานะพวกเขามาถึงเจ้าของตัวเนี่ยมาถึงคนคนกาเฟสเนี่ยจะพูดกับหนังว่างไงนะลีมาเพราะเหตุใดชาฮิตตูมาอะไรานะเพราะเหตุใดคุณเป็นพยานค้านเราทำไม คุณเนี่ยเป็นพย า, ยาน้านเราทําไมใครพูดกับใครนะจะของจะของมือจะของปากจะของหูจะของหนังถามหนังว่าลิมาสาหิตตุมานะอะไรนาอัลลอฮ์นี่พูดกันเองนะเนี่ยหนังเองเป็นพย า, ยาน้านอาลัลลอฮ์ทำไมเล่าเรื่องไม่ดีของฉันให้อลัลลอฮ์ฟังทำไม อัลลอฮฺกัาก็ดูผิวหนังจะตอบถ้าส่วนอื่นก็เช่นหูก็จะตอบตาก็จะตอบหรือมือก็จะตอบเท้าก็จะตอบถ้าเอาปัะจัอื่นมาผสมด้วยเลยนะตอบว่าไงได้ไหมอัมตอกนาลา้อหูอัมตอกนาแปลว่าให้เราพูดอัมตอกนา อัลลอฮูอัลต่อไปนะอัลลอฮให้เราพูดเพราะอัลลอฮเป็นเจ้าของอัลลอฮสร้างมนุษย์มาใช่ไหมที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยวันอะไรวันศุกร์ตอนอะไรตอนเย็นหลังนมาอัสสรีแค่สองสามชั่วโมงเอง <c oughs> นี่อลัลลอฮเล่าให้ฟังไม่เชื่อไม่มีปัญหาแ ล, ล้วอัลลอฮสร้างอาหารกี่วันสี่วัน แล้วคนยังกลัวอีกวะเนี่ยกลัวอาหารจะหมดโลก <c oughs> กลัวอาหารจะหมดโลกอลัลลอฮฺว่าชั้นสร้างอาหารให้พวกผู้ดูแลมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะสี่วันอะอลอพระกระเพาะเราสังเกตุีิเวลาเรานั่งทานอาหารเนี่ยเรานึกถึงสมัยตอนเด็กๆ ก, ก่อนน อ, อาหารสมัยนี้สมบูรณ์กว่าสมัยก่อนอใช่เลย ไ, ไม่ใช่ มีอะไรตา อ, อะไรกินแปลกๆลองอันบัดซึ่งสมัยก่อนเราอาจจะหามไม่เจอใช่ไหน่ะแถวนี้ร้านไม่มีวันนี้ร้านเต็มไปหมดน่ะคนนี้ขายคนนี้ขายมาได้ยังไงอ่ะเอารถโดนใจเราหักเล้ามีอะไรแต่ อ, อะไรร้านเต็มไปหมดเนี่ยนี่ไงเนี่ยยิ่งอยู่ไปอาหารยิ่งเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ใช่มาจากไหนอ่ะ นี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่ถ้าคนอ่านกุรานต้องนึกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรายังทระยอต่ออัลลอฮ์อีกหรือไม่สุยญุต่ออัลลอฮ์อีกหรือไม่อ่านคุรานอีกหรือทําไมไม่ศึกเรียนศูนยหนนาบีมันต้องนึกเยอะอ่าอยา่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺอาม์ตอกกุลลชัยอันตอก็แปลว่าให้พูด อัลลอฮฺแปลว่าผู้ที่กุลละใช้แปลว่าทุกสิ่งอัลลอฮเนี่ยสามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างพูดได้อัลลอฮฺอักบารเอาเช่นอะไรบ้างในฮะดีษอธิอธบายว่าอัลลอฮจะให้กุรานที่พูดเนี่ยใช่เป็นนังถืออยู่เนี่ยให้พูดในวันเกียมาให้กุรานพูดแล้วก็ให้รมฎอนพูดที่จะมาถึงเนี่ย ให้หูพูดให้ตาพูดให้ผิวหนังพูดให้มือพูดให้เท้าพูดแล้ทุสิ่งทุอย่างสามารถพูดได้หมดเลยอ่ะต้นไม้ก็พูดได้อ่ะนบีุระมัดเล่าเองฉันเนยเดินไปต้นไม้ให้สลามกับฉันแล้วก็ขอนไม้ที่แห้งแล้วนะ่ะที่ที่นบีสั่งให้เอามาเป็นฐานที่อ่านคุตบ้านนันใช่ไหม ขอนไม้นะขอนอินทรพลำแห้งแล้วเนี่ยนะนบียืนอ่านคุตบะบนขอนไม้แล้วต่อมามีมิมบัตอันใหม่มาแทนเนี่ยนบีก็อ่านคุตบะบนคุตบะอันใหม่ขอนไม้อันเก่าเนี่ยร้องร้องฮึ่มฮึ่รถตูสั่นไปหมดเลยนบีนลงมาจากมิมบัตก็มากอดเบียกบอกไม่ต้องร้องทําไมทําไมต้องร้องอะ่ะ สอนซาบา น, นาบีสอนพวกเราวันนี้น่ะขอนไม้เนี่ยยังร้องง่ายเสียใจที่นบีไม่ได้ยืนชช้างานแล้วก็สอนอิสลาม ห, หมแล้วก็วันนี้คนที่เป็นมุสลิมไม่เอาศาสนานี่ถามว่าคุณกับขอนไม้ใครดีกว่ากันน่ะน่าคิดน่ะฉะนั้นอ่านคุรานครา์นี่นะเตือนให้ใช้ปัญญาอ อหล่อขอนไม้มันจะฟังศาสนาเนี่ยยังร้องให้ยังตัวสั่นแล้วเราเนี่ยทางทางเดือนทางอาทิตย์ไม่เคยฟังศาสนาเลยเหรอแล้วก็มานจะเสียอกเสียใจสักนิดนึงถามว่าเราก็ขอนไม้ใครดีกว่ากันก็ไปนั่งคิดดูนะครับอย่างนี้เป็นต้นฟลออัลอัมโตกุลเชยอัมตกันอัลลอ อัลลอฮฺให้เราพูดพูดที่อัลลอฮฺให้ทุกสิ่งทุกอย่างพูดได้้าว <Allah S 2> ูาคาละกอกุมอาวอาเลมาราะอัลลอฮฺพู ด, ด, <Allah S 2> พดสร้างสู่เจ้าเอาวลมาราะครั้งแรกอธิบายยังไงครั้งแรกก็วันศุกร์หลังนมาฎอัสรีใช่หรือไม่ใช่ นี่นบีเล่าเองเล่าให้คนยิวฟังเพราะคนยิวมาหานาบีมาถามนาบีที่มาถามนาบีไม่จะถามเพื่อหาความรู้หรอกถ้านาบีตอบไม่ได้ฮะมุฮัมมัดเองอ้างตัวเป็นนบีข้าไม่เชื่อเองอยู่แล้วเพราะนี้นบีก็ตอบด้วยวะฮีของเลาสร้างทุสิ่งทุกอย่างสร้างอาหารสี่วันในวันศุกร์ สร้างมนุษย์มาสร้างอาดัมมาหลังนมาอัอัรวอย่างนี้เป็นต้นนี่ไงเอาววละมาราองนึกว่าเราเองเนี่ยมาจากไหนมาจากดินนะไม่ใช่มาจากเงินจากฟลอยจากเพชรไม่ใช่มาจากดินไ <c oughs> วไลตูร์จแล้วก็พูดบ่อยนะและเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอ์ในวันเตีย ม, มาหมาถึงตายแล้วต้องฟืนพูดซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้คนอ่านคัมอีรได้ใช้ปัญญาโอ้ฉันนี่ตายแล้วไม่ใจะตายเลยนะตายแล้วต้องฟื้นแล้วก็กลับไปหาอัลลอสุบฮานะหวตะอาลาอัตอมกักะายาที่ี่สิบสอว่มากุนตุมตาสตาเจรูนไอยาชาดะอะเลกุม สัมภูมَวَาบุฟารุคุมว่าจุลุดุคุมว่ากิน ظن ัม أن الله لا يعلم كثيرا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون عز وجل วามคุณตุมทัศตติรุณไอยาชาญาอัยคุมซัมอุคุมเวลาอาบอَาลุคุม و วลาُุลุดุคุม ن ْ ظ َ ن َ ن น ت ُนْ أ ุมอัน ل ل َّอฮ ل َา يعلم ك ِ ي ر م م ّ ا تعملون เรามำไดเลละดูสัตว์นะครับมากุนตุ้มพวกท่านไม่ได้ <c oughs> ตัสตาติรูนแปลว่าซ่อนเร้นพวกท่านไม่สามารถที่จะซ่อนเร้นไม่สามารถที่จะปิดบัง <c oughs> ตอนเร่ปิดบงังคือว่าไม่มีความลับอาบนโลกใบนี้มนุษย์ที่ทำอะไรไว้นี่นะเอ็งปิดได้เฉพาะมนุษย์เท่า น, นั้นแหละไปทำอะไรไว้ไปไปกินเหล้าออมาเมื่อคืนนี่ไปแอ บ, บเมียไปทำซินายกตัวอย่างเอาเรื่องหนักๆ ก, ก็แล้วกันเอ็งแอ บ, บได้เฉพาะเมียคนเดียวเท่านั้นแหละก็จะระวงังโอจะจับได้หรือเปล่าวะเนี่ย เองไปทำบาปอะไรมาก็าตามเองแอบได้คนบางคนเท่านั้นแหละแต่คุณแต่สิ่งที่คุณแอบไม่ได้ก็คืออวัยวะคุณนี่จะ ร, รับรู้หมดเลยมือก็รับรู้หูก็รับรู้หนังก็รับรู้เองจะแอบไปไหนนี่เตือนให้ใช้สมองนอยันครับ ว่ามากุนตุมตัส ต, ติรูนและพวกท่านเมื่ออยู่บนโลกดุนยาเนี่ยก็ไม่ได้ซ่อนเร้นไม่จะสามารถปิดบังความชั่วที่คุณปฏิบัติเอาไว้คุณปิดไม่ได้เลยไอยชฮฮาดะอะไลกุมซัมเหมากุมที่หูของคุณจะเป็นพยานค้านตัวเอง วันนี้คุณทำอะไรไว้ไม่มีใครรู้ใช่มากแต่หูคุณนี่แหละจะไปฟ้องอัลลอฮฺใครทงก็เปิดย่างความลับไม่มีในโลกเองเปิดได้เฉพาะดุญยานี่แหละแต่ว่าอัลลอฮรู้ไหมรู้รู้ยังไงมือคุณเนี่ยหูคุณเนี่ยจะฟ้องอัลลอฮเลยอัลลอฮหนีไปไหนรอดนี่พออ่านกูอ่านแะ้วใจมันก็เพิ่มอัลลอฮอย่ารออััร เราดูแลมืออย่างดีเลยนะทาโนนทาหนี่ไม่ให้เป็นโรคโควิดใสอะไระ <g ül> ออดได้เช่นอัลลอฮ์ที่ไหนได้เป็นเล่ามาเฟังเงียบหูกับล่ามาเราฟังหมดเลยอ่ะนี่หู ด, ดูแลอย่างดีเลยนะอัลลอฮ์อักุรร์ยิ่งดูเท่าไหร่กดดูไปใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ไปฟ้งก็ล้องหมดเลยเนี่ย อ่านุรานได้ความรู้เยอะทำอยู่เลลแหะเอาต่อมาครับววลายููดูกลุมและผิวหนังของพวกขันก็จะไปฟ้องเอาล้อมันกันเป็นพยานค้านคุณในวันตีมาเวลากินจนันตุมจนันตุมเพราะว่าวนนึกคิดอ่านึกคิดเนี่ย ถ้านึกดีมีรางวัลถ้านึกไม่ดีเป็นบาปอาลัลลอ์รู้หมดเลยครับนั่นก็เรียกว่าสงสัยนึกคิดเนี่ยมุกคนทุกคนสามารถนึกอะไรได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่อลัลลอ์เตือนทนัมภีกุรอานนึกในทางที่ดีสุขภาพจิตของคุณก็จะดีด้วยถ้านึกสกปรกสุขภาพจิตคุณไม่ดีครับนึกจะทำบุญอานึกจะบริจาค นึกจะให้อภัยนึกจะน้ำมานนึกจะอ่านคัมภีร์นึกจะสิกรุลลอนึกจะขออวยานึกจะติดต่อกับญาติพี่น้องพี่น้องก็ด่าเรามาเนี่ยให้อภัยดีก็เอาเรื่องดีนึกให้อภัยเถอเนี่ยนึกในของที่ดีนะทำให้สุขภาพจิตเราดีท่านนึกในของที่ไม่ดีทําให้เราเครียดฉะนั้นการนึกเป็นศาสนาครับ น บ, บีเลยสอนเนี่ยนบีเลยสอนนึกยังไงเนี่ยอัลกุรอานสอนเลยนะนึกยังไงวาละกินละนันตุมแต่พวกเขาเหล่านั้นนึกคิดในทางที่ไม่ดีนึกยังไงรู้ไหมอัลลอฮะแท้จริงอัลลอ์นั้นลายะลัมอัลลอฮ์ไม่รู้ นึกว่าอาลัลลอฮ์ไม่รู้นี่นึกดีหรือนึกเลว็วนึกเร็วครับคนนึกว่าอาลัลลอฮ์ไม่รู้นี่ก็ทําได้ทุกอย่างนยะจังว่านะ่ะปิดคนนั่นได้ปิดคนนี้ได้แต่อลัลลอฮ์ก็ไม่รู้อีกโอ้โหเนี่ยเองนึกผิดนะ่ะแล้วก็ปล่อยตัวอย่างเงี้ยทําอะไรต่อะไรสารพัดจะได้มุหมินจะอยู่ตรงไหนก็าตามไม่กล้าทําความผิด แม้จะอยู่คนเดียวก็ไม่กล้าทำความผิดเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์นี่ทรงเห็นทรงรู้แล้วก็ทรงได้ยินคําพูดก็เราสุญญ์ขออุทิศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่บนชังนฟ้าได้ยินนี้ไม่ได้ยินได้ยินหมดเลยทำไมเราขอแล้วเพราะเรามั่นใจว่าที่เรากระซิบอยู่ข้างล่างนี่นะครับจากข้างบนได้ยินหมดเลยนะนี่เป็นความศรัทธาของมุมลินทั่วโลกใช่เขาจะลุกขึ้นม า, มาแต่ฮัจยุดะเกิดตอนกลางคืนน่ะ ขอมนเราจะร้องให้ตอนสูอยูย่ญนะเพราะอัลลอฮ์จะยินเนี่ยพอเรานึกแบบนี้หน่อยอิมาเราเพิ่มไหมเพิ่มฉะนี้เล่าเดึงเล่าถึงคนกาเฟตคนมุชลิกคนกาเฟตในนครมักกะเนี่ยตอนนั้นตุมอันอัลลอฮฺละย่าละมุกัสซีรันอัลลอฮ์ไม่รู้อะไรเยอะหรอกมิมมาตาละมูนในสิ่งที่พรกท่านทั้งหลายปฏิบัติคือสาเหตุเป็นอย่างงี้อยายะนี้ลงมา นยมังบุคอรีอธิบายบอกว่าท่านอิบเนมัสเอารายงานบอกว่าพวกเรานะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเปลี่ยนผ้าใบตุออ่นล้อผ้าใบตุ่นล้อเนี่ยเขาเปลี่ยนกันทุกปีนะตั้งแต่สมัยนะบีแล้วนะเนี่ยยืนกันมากี่ปีละพันสี่ร้อยปีเขาเปลี่ยนผ้ากะอาบากกันทุกปี มีวันหนึ่งเนี่ยพวกเรากำลังเปลี่ยนภาพกาบ้าอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนสามคนมาคนสามคนนี่มาก็สองคนเป็นชาวกูเรชและอีกคนหนึ่งเป็นชาวซากอฟี่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในฮัดเดนอธิบายอย่างนี้นะชาวซัปอฟี่สองคนหรือชาวกูเรชีหนึ่งคนหรือกูเรชีสองคนซากอฟี่หนึ่งคนกาเป็นสามคนเขามองลักษณะ เป็นคนไม่ฉลาด น, านี่นี่ต้ฮะดิษอธิบายเลย น, นะอิบนูมัสออดอาตปรันมองคนสามคนนี่นะเป็นคนที่ไม่ฉลาดเพราะเพราะว่าทองพุย <c oughs> กินเยอะนะคนกินเยอะทองพุยเนี่ย่วนยญยเนี่ยโสดิดยาเฮลไม่ค่อยไม่ค่อย เป็นห่วงกินห่วงนอนอย่างเดียวนะนะมันมาจะห่วงเรื่องเรียนเท่าไหร่หรอกแล้วก็นี่มองจากข้างนอกเนี่ยโอโ้โหแล้วก็พูดกันพูดอย่างนี้อัลลอฮ์เนี่ยได้ยินคำพูดของเราไหมพูดดังอะ่ะจงซาบะได้ยินน่ะอัลล์เนี่ยได้ยินคำพูดของเราไหมในสามคนอีกคนนึงพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ยินหรอก ถ้าพูดค่อยไม่ได้ยินถ้าพูดดังถึงได้ยินสาวบ้า์กำลังเปลี่ยนผ่าย่าบ้าอยู่นะไอ้ที่มันพูดอะไรกันมาเฮ้ยแล้วอีกคนหนึ่งพูดว่าอลอดได้ยินทุกเรื่องแต่ละงวนเถียงกันสามคนนี่มาคุยกันเดงสาวบ้านคนนี้ก็นำเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นาบีฟัง ตอนนี้มีชายสามคนเป็นชาวซัอฟรฟี่สองคนชาวกูเรตหนึ่งคนรู้ชาวกูเรสสองคนซัอรฟี่หนึ่งคนนั่งคุยกันเกี่ยวกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยรู้เปล่าได้ยินเปล่าสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้เขาก็เถียงกันเล่าให้นบีฟังนบีก็อ่านกุรอ่านยิบรีลงมาหานาบีเลยเห็นยังในการแก้ปัญหาเลยนะลงมาก็มาอ่านมาอ่านมาอ่านคุรอ่านอาญาณีไงอ่านกุรอ่านอาญาณี Maha Nabi Fang. w a m a k u n t u m t a s t a t i r u n ayyashada a l a i k u m s a m u k u m wala abosarukum wala juludukum wala kiznan n a tum anallah la yalamu kasira. لا ย ع ل มกัซีร์มิมมาตมาลูนถูกประทานลงมาในการเคลียร์เลยว่าเรื่องลับที่คุณคุยอะไรก็ตามอัลลอฮ์รู้หมดไม่มีอะไรมาปิดบังได้เลยสบายใจั้ยนี่มุ ม, มินสบายใจแล้วทำเดีายวฉะนั้นคุความอธิบายเพิ่มวันที่ลุงนบีชออับบาส กอรับอิสลามเนี่ยเป็นสัตรูกับนบีนะไปทําสงครามกัทบท่านนบีออกไปจากมักกะแล้วก็ไปทําสงครามแพ้นบี <c oughs> พอแพ้เสรกก็จแล้วก็นบีก็ประชุมกันกับบรรดาอัลบา ว, ว่าเก็บค่าถ่ยตัวใครที่แพ้จกกับจนเฉลยให้ถ่ายตัวเอาเงินมาถ่ายเอาเงินมาถ่ายเอาเงินมาถ่ายพอถึงเวรของอับบาสลุงนบี บังบอกโมมาเด้อหลานเนยเงินก็ไม่มีจนเอาออกเงินมามาให้แพ้มาสงครามกับหลานหลายครัชนะแพ้สงครามอีกพอเล่าโจทย์นบีว่ากอเงินตอนที่ลุงจะออกมาจากบ้านอยู่ในถุงแล้วก็ฝากเมียว่าอยู่ในห้องขณะนี้ทำไมไม่เอาออกมาลุงทามมมาดรู้ได้ไงคำบนเล่าฉันฟังหมดแล้ว นาแตกไหมพอ <c oughs> เล่าปัาบ๊บลุงบอกเออลุงมาฉันรับอิสลามแหละแต่อย่าเล่าให้ใครฟังนะถ้าพวกอาหรับมุสลิกรู้ว่าฉันรับอิสลามเนี่ยนะเพราะฉันมีอาชีพอยู่อย่างหนึงออกเงินกู้ฉันเนีออกเงินกู้ออก เ, กเต็มเลยในนคนมกกะเนี่ ย, นะยถ้าเขารู้ว่าฉันรับอิสลามนะพวกนี้มันจะไม่จะยอมจ่ายเงินจะนั่งเป็ดเก็บเป็นความลับไปก่อน ยอมจําน้นต่อท่านนาบีคนณนบีเล่าว่าเงินอยู่ในหอ่อฝากเมียไว้เอาไว้ในห้องทํำไมเอาออกมายอมจําน้นเลยฉันเชื่อแล้วว่าเลาหนี้จริงทรงรู้ทุเสียงทอยงุอย่างอย่างดีไม่ตก น, นั้นโมเมนต์ต้องนึกแบบนี้ตลอดเวลาฉะนั้นความลับในครอบครูคุณไม่มีนะเองคุยอะไรกับเมียอยู่สองคนนะั่นนะมันความลับไม่มีเรารู้หมดจะ แ, แฉหรือไม่แฉเรื่องนั้นเองอ่ะ ฉะนั้นไม่มีอะไรความล่ำ บ, บนโลกนุยยาไปนี้ฉะนั้นต้องคุยในเรื่องดีๆ ด, ดีกว่าหัวสมองเราก็จะดีคิดในเรื่องดีอย่าคิดในเรื่องไม่ดีแม้แต่นินทาคนในบ้านในครอบครัวก็เหมือนกันอย่าทํานะครับคุยเรื่องดีๆให้ลูกฟังคุยดีๆให้ภรรยาฟังอ่านคุณอ่านเรื่องประวัติของซอฟบา้าให้ครอบครัวฟังไม่ดีกว่าหรือเรกัะดาษนั้นตําหนิคนนี้ไม่มีประโยชน์ เนี <NYU> <West> ่ยอุรอ่านสอนเรานะครับเอาต่อมาครับอายาที่ยี่สิบสามวาซาลิกุมซันนุคุมอัลลัลกนันตุมบิรอบบิคุมอารดาคุมฟัส์บัตุมินัลขอซีรี ว่า ذلك ظن ظن ุคุมุ่งละ ظن ัตุมบรับกุมอาดะกุมฟาสบัพตุมในอัลกอสีร ر อัลลอฮุอะม ذلك นั่นแหละ ظن ุค م มการนึกคิด การสงสัยอาการนึกคิดแล้วการสงสัยสงสัยนี่ดีหรือไม่ดีถ้าสงสัยในเรื่องเรื่องดีๆนะนึกในเรื่องดีอลัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงดะยินอย่างนี้สบายใจใช่ไหมไม่กล้าทําความผิดถ้าสงสัยในเรื่องไม่ดีนี่นะโอ้โหเครียดนี่อิสลามสอนเรื่องการสงสัยนะครับ และนั่นแหละการนึกคิดของพวกท่านที่พวกท่านนึกคิดก่อนนั้นตุ่มที่พวกท่านนึกคิดบิรบบิกุม้มเกี่ยวกับพระผู้อภิบาลของสูเจ้าอารดากุม้มทำให้สูเจ้าเนี่ยได้ทำลายสูเจ้าให้พินาศเองคิดยังไงการคิดของคุณ ทำให้ทำลายสู่เจ้าจนพินาศเองคิดยังไงแสดงว่าการคิดนี่นะสามารถทำลายตัวเองได้ด้วยเป็นยังนี่เป็นความเป็นความรู้เลยนะคิดยังไงอ่ะใช้ปัญญายังไงอ่ะใช้ปัญญาแล้วทําให้คุณต้องพินาศทําให้คุณถูกทําลายต้องพินาศเองคิดยังไงเป็นยังมถ้าคิดไม่ดีเนี่ย คิดหายนะว่าไงๆท่านคิดเรื่องความคิดมาเลยเนี่ยวันนี้พูดเรื่องความคิดคิดยังไงให้คุณรอดจากการลงโทษนะรอดจากกูโบัคิดยังไงนี่ถ้าคิดไม่เป็นทําให้คุณถูกทําลายจนพินาศเอาล่ะเรื่องคิดอย่างเดียวน่ะถ้าคิดผิดทําผิดไหมทําผิด ถ้าคิดดีก็ทําดีก็พูดดีถ้าคิดไม่ดีอัลลอฮ์ทำผิดคิดผิดหมดเลยทําผิดคิดผิดพูดผิดหมดเลยแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเอาหลักการอิสลามมาอะไรมากํากับชีวิตเอาซูน่านาบีมากํากับชีวิตอัลลอฮ์บอกบัดคิดดีคิดดาพูดดี ท, ด illah, ทําดีอัลฮัมดุลิลละปลอดภัยหมดเลยอัยยานี้เตือนนะการนึกคิดของคุณ น, นั่นแหละ เกี่ยวกับพระผู้อภิบาลของพวกท่านเนี่ยทำให้คุณพินาศ <c oughs> คุณคิดไม่ดีเกี่ยวกับอัลลอฮ์โอ้โหเท่านั้นแหละตำหนิอัลลอฮ์ก็ไม่ได้นะอาตําหนิยังไงนบีลเล่าเองว่าอัลลอฮ์เนี่ยเล่าฉันฟังว่าประชาชนเนี่ยตำหนิฉันอากาศร้อนไปก็ตาหนิหนาวไปก็ตําหนิฝนตกมากไปก็ตําหนิ ทำไมไม่ขอดุทิแล้วตําหนิทําไมตัวไปถึงภรรยาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกันเลยอย่าไปตําหนิกันถ้าเขาทาอะไรผิดก็เตือนกันแล้วก็ขอดุอาให้กันอย่าด่าลูกลูกทําอะไรผิดอย่าดา่าอ่าพอด่าป้าเนี่ยการเป็นดุอาเลย อ, อะ่ะฉะนั้นมวลมารยาทมุสลิมต้องนึกถึงอัลลอฮ์และนึกถึงสุนนนบีตลอดเวลา อย่านึกอะไรเองน่ะนึกเองไม่ได้นะครับนึกเองทำให้ตัวเองพินาศนะไม่ใช่พินาศวันนี้นะพินาศตอนวิญญาณมาถึงเขหอยแบบฟาโรห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับฟบาอับะตุมมนัลคอซิรินอับะฮาแปลว่ากลายเป็นคอซิลินผู้ขาดทุนประสมความหายนะขาดทุนฉะนั้น คุณคิดอะไรคิดยังไงเกี่ยวกับอัลลอฮ์ตัางายเป็นผู้ที่พินาศแล้วก็ขาดทุนในที่สุดเองคิดไม่เป็นอย่าลืมนะเรื่องสมองอย่างเดียวนี้นะรอต่อเรื่องสมองถ้ามีสมองแล้วใช้สมองไม่เป็นเองถูกแน่แต่ก่อนตายอัลลอฮ์เอาไปเลยเอาเงินอาไปพันล่านบ้านเอาไปเลยห้าหลังรถเอาไปเลยสิบคัน โลกเดียวนะพอวิญญาณมาถึงก็หอยเองจะเจออ้โหลลอฮ์จ้ฉันไม่น่าปล่อยตัวถึงขนาดนี้เลยแค่นั้นการซักฟอกหัวใจสม่ำดที่สุดซักฟอกหัวใจให้รู้จักอัลลอฮ์ซักฟอกหัวใจดูการอัลสุนาห์นบีมาเรียนแล้วก็อ่านอัลกุรอานหาความรู้จากกุรอานเป็นการซักฟอกหัวใจดีๆที่สุด การซัวกฟอกหัวใจคือยึด Allah อัลลอะ์องเดียวอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์สุภาอานุวาตาลอุลมามะก็แนะนำดีนะการสงสัยเนี่ยมีอยู่สองสองชนิดสงสัยในทางที่ดีจะนำรหมมะความเมตตาความโปรดปรานมาหาตัาเองตัวอัตโตนมัติอัลลอะ์จะส่งมา ถ้าสงสัยในทางที่กบเบี้ยในทางชั่วนี่นะค่อยๆพาเขาไปสู่ความหยาณะแต่อยู่บุญทุนชานีเพลินไหมพอบ้านปลาชีวิตนี่นะไหยาณะหมดเลยฉะนั้นมอนาบุลุษานเขีนหนังสือไว้เยอะผมชอบอ่านท่านสอนบอกว่าคนมุนาฟิกเนี่ย กับคนกาเฟตเนี่ยคิดสกรปรกเกี่ยวกับอัลลอฮ์แล้วก็ทํางานสกรปรกเกี่ยวกับอัลลอฮ์หมดเลยความนาบีความุซน า, นาบีแล้วก็เห็นข้ามนาบีไล่นบีออกจากนครมกะกาไปมาดีนนะท่าก็อยู่สบายก็อยู่สบายขนาดไล่นบีนะนบีลบาบากเนไปอยู่มกะกาอยู่จากมาดินาะอยู่มาดินาเนี่ยระบากไหมลำบากตอนเดินทางอะ่ะแต่พวกนี้อยู่ก็สบายอนะ ถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวก่อนตายก็ดีถ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวก่อนตายเองเจอไหมเอาแค่อบูวอบบุละฮับเนี่ยอบบุละฮับเนี่ยญาตินบีใช่ไหมเป็นลุงนบีใช่ไหมแล้วก็ขว้างนาบีใช่ไหมรู้ไหมเป็นโรคระบาดแบบนี้แหละแล้วก็ตายคนเดียวแล้วก็ศพเนี่ยอืดเน่าเหม็นแล้วเนี่ยครอบครัวผมเห็นนะผมรู้ก็จ้างคนผิวดํามา มาอุ้มเอาไปเอาไปวางไว้ที่ดินแล้วก็ขุดเป็นหลุมแล้วก็เอาไม้เนี่ยแงะแงะตกลงไปในหลุมสิ่งที่อัลลอสัง่งผา น, นาบีให้ทำสามอย่างได้ทำาบา่าหนึ่งให้อาบนา้ำให้หอให้นามาตขอรัทําบล่ไม่ได้ทำและเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เป็นอบปตวไว้าง่ายสอ จ, อจอเป็นสอสอเราก็ได้เอาตาสภาพนี้แหละนี่ถ้าใช้ปัญญาตรึกองโลอัลลอฮฺเป็นใหญ่ถึงขนาดนี้เองตายสภาพนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นนะนะแคนั้นอยากความอิสลามความย่างอื่นกว่าความเป็นความอัลลอฮฺความรอซูลความสุนนะนบีความพุรานเองเจอครับแต่ส่วนใ ญ, ญจะเทเล่กับบุญญานะ <c oughs> อ่าเอาต่อไปครับ อิมามชาฟีพูดบอกว่าอาย่าบาฟีนีนะพูดร้ว่าใครที่ต้องการจะให้เขาพบกับความดีเนี่ยจงคิดในเรื่องดีๆกับมนุษย์อิมามชาฟีนีไม่ใช่นบีนะเป็นอาลีมอุลมามะคนหนึ่งที่รักษาสุนัขนบีไม่ให้มันเสียหายเนี่ยท่านพูดวว่าถ้าต้องการจะให้อารออเนี่ยตัดสินคุณไปในทางที่ดีนะ อย่าสงสัยจงทําความดีกับมนุษย์พูดในเรื่องมนุษย์ในทางที่ดีอย่าสงสัยในทางที่ไม่ดีท่านกระเติร์ต่อไปอีกต้องการจะให้สติปัญญาดีทำไงรู้เปล่าให้ให้แปลงฟันนี่มนะั่ใช่ไหมน้าเอาของนบีไปพูดพอนบีนแปลงฟันวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่รู้ไหม สิอ็ครั้งถึงสิบาครั้งการแปลงฟันเนี่ยมากๆเนี่ยทำให้หัวสมองดีแล้วก็อย่าคบกับคนชั่วอยู่กับคนชั่วได้พืดเตือนเขาให้เลิกทําความชั่วแล้วเอาเวลาเนี่ยมาอยู่กับมุลมะเยอะๆหน่อยมาฟังฟังตัลซีนมาอ่านกุราานมาซิกุรุลล้อเยอะๆหน่อยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับคนดี ๆ, ๆเยอะหน่อยนี่บามเชมีนะประทศไทยสมองท่านเนี่ย ไบรท์สมองดีไม่เปโรคอัลไซเมอร์อย่างเบื้ต้นะครับเอาะยเท่าไหรยี่สิบสี่ครับฟเฟยอสเปรุฟันนาสุมาสทวัลลมวยัส จะสุดท้ายนะครับ ฝ้ายยศบิรุบาตแปว่าอะไรรู้ใช่ไหมแปลว่าอดทนนี่เล่าอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเล่าให้พวกเราฟังว่าคนกาเฟสเนี่ยกับคนมุสริกีในค น, กกะนะในครมกกะกานอะเฉพาะในนครมะกาเนี่อธิบายให้ฟังคนมุสริกกับคนกาเฟสในคนครมกกะการที่ทําลายนาบีที่ด่านาบี ที่ต่อต้านสุ น, น, นัขนบีต่อต้านอัลกุรอานเนี่ยท่าเขาอดทนในการทําลายายืนหยัดเร า, าใช้ภาษาใหม่นะเองอดทนใช้ความอดทนในการอะไรทําลายนาบีด่านาบีตำหนินบีสุ น, านาัขนบีฉันไม่เอาเข้าบ้านของมุมบัดจะไม่เอาเข้าบ้านจานันเ oh um พราะมุมบัดเป็นศัตรูของเราอะ่ะ ทำให้เราแตกแยกกันเชิญชวนเราให้รู้จักอลัลลอฮ์องเดียวดูมันสอนสิพระเจ้าหลายองค์จะช่วยกันมันดีอยู่แล้วนะโมหะดันมาสอนให้ยึดอลัลลอฮ์องเดียวเองสร้างความแตกแยกเองต้องไม่อยู่มักกะเอ็งต้องไปอยู่ที่อื่นเนี่ยคนที่อดทนทำความชั่วแบบนี้ได้อะไรฟันหน้าหรืได้อะไ ร, นน ร, ไ, ดะ ไ, รได้อะไรครับ อันนาดมาดึกนรกมัสวัน ล, ละหุมเป็นที่พำนักของพวกเขาเห็นไหมคนมุชริกในนครมักกะคนกาเฟตในนครมักกะที่รวมหัวกันต่อต้านอิสลามอัลลอฮ์ใช้ภาษาใหม่นะพวกนี้อดทนในการวางแผนทำลายอิสลามไม่ให้ เกิดขึ้นในนครมักกะสำเร็จไม้มไม่สำเร็จครับยิ่งไปกดมากๆยิ่งอะไรยิ่งขึ้นฉะนั้นใครจะกดอิสลามนะแล้วก็อดทนวางแผนเสียเงินเสียทองไม่รู้เท่าไหร่ทำลายอิสลามนี่ประเทศออสเตรียเนี่ยทราบข่าวว่าสั่งปิดมัสยิดห0ิมัสยิดไล่มอุงอิมมามออก ยิ่งทำลายอิสลามแบบมักกะนะยิ่งคดกูร์อาเลนะครับสายาตุคูลูนอฟีดีนิลลาฮิอฟวาจานี่มางานองอัลลอฮ์นะไม่ใงานมนุษย์น่ะมอมัตท่านถูกไล่ออกจากมักกะไม่ต้องกลัวสายาตุคูลูน่ะท่านจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยจะเข้าหามาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์อฟวาจาเป็นมูมู สบายใจไหมเราได้ยินข่าวด่าอิสลามดาอัลล์ดาุรานทน <c oughs> เดี๋ยวอัลลอ์จัดการเองกับงานนี้มงานอัลล์ไม่ใช่งานมนุษย์เรามีหน้าที่อัสตรุลลอฮ์อัสตรุลลอฮ์ูทุกนอัสตรุลลอฮ์ทหน้าที่เผยแพร่ไไอิสลามเขาเรียก ว, ว่าอดัลฮุสยนีมุ่มิมจะอยู่ตรงไหนก็ตาม ต้องทำความดีสองอย่าง1นงอยู่เพื่อเผยแพ่อิสลามสองือมาก็ถูกฆ่าตายเสีเหตทั้งสองอย่างนี้ดีทั้งหมดเลยนะตาดดยเสีหตดีไหมดีหรือไม่ดีดีครับถ้าไม่ตายเสีหตอยู่ก็ทำงานศาสนาต่อไปอทำเชิญชวนเชิญชวนชดชวน อุลมังท่านหนึ่งอธิบายบอกว่าจะให้อิสลามเจริญนนะ่ะให้ทำแบบนี้อย่าหาความสุขใส่ตัวอย่าหาความสุขใส่ตัวมากเกินไปมีความสุขพาเกเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วแล้วก็สองอย่าลืมอิสลาม อย่าลืมกุรานอย่าลืมสุนนะนบีสองอย่างอย่าทิ้งอิสลามยึดอิสลามเป็นไรนะปล่าใบก็ น, น่าฉันทํางานเพื่ออิสลามเพื่ออลัออลออลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เขาเรียกว่าอิคลาสเรื่องอิคลาสเนี่ยเรื่องความบริสุทธิ์ใจนี่นะไม่เคยทําให้ใครเสียหายเลยเรื่องการทํางานาศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยทําให้ใครขินาต ไม่เคยทำให้ใครเนี่ยลำบากไม่เคยทำให้ใครเนี่ยเสียหายไม่มีเรื่องเสียหายไม่มีนะครับพอยกตัวอย่างแบบนี้เรือถ้าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเรือถึงมันจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะสามารถไปถึงฝั่งได้แต่ถ้าไม่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เปรียบเสมือนเรือที่มันเดินถึงฝั่งไหม แต่ไปจมที่ท่าเรือขอเสียหายนะนี่อธิบายให้มุหมินทั้งโลกฟังนะครับบอกว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยทำอะไรให้เขาเสียหายเลยเพราะว่าอินอัลลอฮ์อัอลลอ์เนี่ยไม่เคยทำลายคนที่ทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีครับมีรางวัลหมดแต่เห็นหรือไม่เห็ น, นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเปรียบเสมือนเรือ ที่ใส่อะไรนะใส่พระระมานะบางเกิดนะมันถึงชายทะเลมาถึงชายฝั่งแต่ว่าจมถ้าทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่จมครับท่านจะสง่างามตลอดเวลาอัลลอฮฺไม่ทําลายคนที่ทําความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศสามสี่อะไรกาง่า น, นบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺหรือว่าทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจอาวะย่านี้ ว่าไงนะฟอยบเพราะฉะนั้นแม่พวกเขาอดทนนะครับที่จะต่อต้านอิสลามนะคำว่าอดทนนี่นะต่อต้านที่จะไล่อิสลามไล่อัลก Al ุรอานทำลายมัสยิดทาลายพี่น้องมุสลิมทั่วโลกตรงไหนก็ตามจะไม่เอ่ยชื่อที่ไหนนะที่อยู่ของพวกเขาที่ไหนฟันนารุมสวลละหุม ที่พานับของพวกเขาคือไฟนรกยกเว้นคนที่ต้าบาตัวคนที่ต้าบาตัวเท่านั้นเองฉันกลับมาเรียนอิสลามนี่อย่าลืมนะนบีขอดูอาเอาไว้นะคนที่ทําลายอิสลามบนโลกดุลยาใบนี้อลัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษทันทันตาเห็นไม่รีบลงโทษเพราะนาบีขอดูอาเอาไว้ขอไว้สองเรื่อง อัลลอฮ์จะขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่อย่าลงโทษคนที่แอนตี้อิสลามอัลลอฮ์รักไหมรักแล้วลขออีกเรื่องหนึ่งอัลลอฮ์จะอย่าเพิ่มลงโทษคนที่แอนตี้อิสลามขณะที่มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินตวาดอยู่ที่ใบตุลล์หรือคนที่อยู่ทั่วไปกอดขอดวาว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ฉันถ้ามีสองคำนี้ มีสองอย่างนี้อัลลอ์จะกรวิงไม่ลงโทษคนที่แอนติอิสลามดีกรด้ไม่ดีฉะนั้นเราในวันนี้เนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยพครองโลกดุนยาไปนี้ไม่ให้มันชิบหายมากกว่านี้นะเราขอทุกอาคันอัสตัฟวิรุลลอฮ์ราบีฟิลีวะลิวาลีดายะวะดฮัมฮูมาเราอ่านด้วยาเราขอทุกอาทำให้โลกไปนี้อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษคนที่ทำความชั่วคนลงโทษกมาใแย่ละ่ะ แผนดินไว้ดีเหรอน้ำท่วมดีเหรอนี่โรคระบาดมาเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นนึกเยอะๆลอยๆนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันตกลงว่าสรุปนะแอนตีอิสลามไปรอดั้มอัลลอฮให้รอดเฉพาะบนดุญยาพอวิญญาณมาถึงก็หอยมังเอ้ย แบบคร้าโพระโล อ, อาอยะสุ้ายว่าอิยาสติบูถ้าหาพวกเขาขอแก้ตัววะมาหุมมินัมวะบีนพวกเขาจะไม่ได้รับการแก้ตัวขออภัยโทษจากอลรถอลรรมไม่รับนี่เล่าให้ฟังว่า เองแอนตี่อิสลามขนาดอยู่บนดุนยาไปนี้พอไม่เห็นการลงโทษของอัลลอ์จริงๆก่อนตายขอแก้ตัวอัลลอ์รับไหมนี่ไงอาจารย์นีเตือนว่าอียาสตาติบูฟามาฮุมมินันมอตบีนฉะนั้นใครก็ตามอดทนในการทำลายอิสลามอดทนทำลายนาบีอดทนทำลายอัลกุรอานอดทนทำลายสุนนะนบี เองอยู่ได้จะพวกบนโลกดูจายนี่เวลาความปัญหามาหาคุณขอความช่วยเหลือจากอาลัลลอขอแก้ตัวหน่อยอลัลลอให้ไหมไม่ให้ถ้าจะแก้ตัวต้องแก้ตัวก่อนตายมีคุลมะท่านเองเขียนเขียนหนังสือดีนะผมนั่งอ่านนะัการจับมือดีได้ไม่ดี มูซาประานี่ดีไหมดีในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องระวังตัวทีนี้การกอดกันดีไหมหมัอานก็เนี่ยดีเราทํากันในวันอีกใช่ไหมแต่การจับมือหลังนะมาดทุกครั้งเนี่ยมีสุนัขนบีบา่าวไม่มีเห็นยังครับการจับมือดีไหมดีพอหลังนะมาดทุกครั้งเนี่ยเราก็จับมือกันเน่ย ส่วนเราที่เราทำกันอยู่นี่นะพูดมากก็ไม่ได้ไม่ให้พูดเงียบฉันจะทำอะแล้วก็เช็คฮะดีสอยู่นะไม่มีอ่ะอิหม่ามชาบีนี้เองบอกมักรูอ่ะอับูฮานิฟ้าก็บอกมักรู้่ะเพราะว่าสวฮาบานาบีเขาไม่เคยทำกัน ไอ้ซาลามนะ่ะดีไหมดียิ้มกันดีไหมดีทักทายกันดีแต่แกนจับมือกันทุกครั้งที่มานมาที่มัสยิดพอหลังนื้อมาก็เอาละจับมือกันแล้วก่อนกันไม่มีซุนนะของท่านนะดีจะมีเป็นต้นนะครับเอาไม่มีอะไรครับคุณอารยานิตรเตือนนะวันนี้นะเตือนเรื่องนึกสงสัยใน้ทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับอัลลอฮ เอ็งต all ้องระวังตัวถูกอ <5 episódio> ัลลอฮ์ลงโทษแน่ๆแต่ก่อนตายอัลล์วิ่งไปลาไ้แบบนุะังหลายอัลลอฮ์ทรงประที่รู้จักอัลกุรอานว่าถ้าไม่ทำความรู้จักอัลกุรา เฉลิมชัยแมนชั่นบริการห้องพักรายเดือนทั้งแบบห้องปรับอากาศและห้องพัดลมเฉลิมชัยแมนชั่นซอยราชพร้า132แขวงคลองจันเขตบางกะปิตอบโจทย์ด้วยทำเลทองใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและโดยสารขนส่งเรือคลองแสนแสบสะดวกสบายเดินทางง่ายบริหารโดยฮัตจะมาลีซอดีเบอร์โทรศัพท์0 8 3ย์แปดสาอด เฉลิมชัยแมชั่นซอยราดพท้าวร้อยาบอโรงเรียนมาคิดวิทยาอบอุ่นเหมือนบ้านพัฒนาการสมวัยตั้งอยู่ที่เลขที่ส0ซอยหาไทยราศ16แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับเตรียมก่อนอนุบาลอายุ2ปีระดับอนุบาลอายุ3ปีขึ้นไปและระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมากกว่า18ปี โรงเรียนมาคิดวิทยามีหลักสูตรสําหรับนักเรียนมุสลิมเสริมสร้างความรู้ศา ส, สนาอิสลามตามแบบท่านนาบีหลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนเสริมสร้างความพร้อมด้านร่างกายด้วยวิชาว่ายน้ำเทควนโดจากครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรงเรียนมาคิดวิทยาบริหารงานโดยอาจารย์ศักชายวังทองอาจารย์สมจินตนาวังทองติดต่อ f เฟซบ o ๊กแ Fanpage โรงเรียนมาคิดวิทยาเบอร์